ความในจริยาปิดอกต่อจากครั้งที่แล้วนีม่มาขึ้นสุตสมจริยาจริยาวัดของพระเจ้าสุตสมข้อสาองพระพผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้ทั้งพระสารีบุตรฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าสุตสมถูกพระเจ้าโปิษาจับไปได้เราระลึกถึงคํา ผัดเพี้ยนไว้กับพรามพระยาโปริศาสเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์หนึ่งหนึ่งเอาไว้ทำกษัตริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลำบากนำเราไปเพื่อต้องการจะทำพลีกรรมพระยาโปริศาสได้ถามเราว่าท่านปรารถนาจะให้ปล่อยหรือเราจัดทำตามชอบใจของท่านถ้าท่านจักมากลับมาสู่สำนักของเรา เรารับคําพระยาโปริสนั้นว่าจะ ก, กล่าวใหญ่ถึงการมาของเราแล้วเข้าไปยังพระนครอันรื่นรมมอบราชสมบัติแล้วในกาละนั้นเพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษเป็นธรรมที่เป็นของเก่าอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสพแล้วได้ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วจึงเข้าไปหาพระยาโปริษ ในการมาในสำนักของพญาปริสานั้นเราไม่มีความสงสัยว่าจักฆ่าหรือไม่เราตามรักษาสัจจะวาจายอมสละชีวิตเข้าไปหาพญาปริสาทผู้เสมอด้วยความศักดิ์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราชนี้แหล่งใก็เน้นสัจจะบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านการประพฤติปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยจริยาการประพฤติสั่งสมบูรณ์กุศลมิใช่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือสัจจะสัจจะนั้นถือว่ามีความสําคัญมากเป็นธรรมที่เรียกว่าพุทธกัรกะธรรมเป็นธรรมที่ให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าในการละนั้นพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในพระคั์ของพระอัครมหสีของพระเจ้าโกรพยะในกรุงอินทปัตตะแคว้นกุรุ พระมารดาพระบิดาขนานพระนามพระกุมารว่าสุตโสมะเพราะปลื้มใจด้วยการฟังและเพราะมีพระชวีเปล่งปลั่งเสมอดุจพระจันทร์สาเหตุที่พระโพธิสัตว์มีชื่อว่าสุตโสมเนี่ยนะสุตโสมก็เพราะปลื้มใจด้วยการฟังแปลว่ามีความสุขในการฟังเนี่ยนะหรือเป็นผู้ที่มีผิวพันเปล่งปลั่งเสมอดุจพระจันทร์หมายถึงว่า อมองแต่ไกลๆเนี่ยจะเห็นในความเป็นผู้ที่มีความผุดผ่องเนี่ยนะความที่เป็นผู้ผุดผ่องเลยเรียกว่าเสมอกับพระจันทร์ครั้นพระกุมารสุตสมเจริญวัยสำเร็จศิลปะทุกแหนงพระมารดาพระปิดาก็อภิเศกเอาไว้ในราชสมบัตินะพูดถึงพระเจ้าพาราณสีเนาี่ยนะ คือพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในแคว้นกุรุใช่ไในในสูตรนี้พระโพธิสัตว์อยู่ในแคว้นกุรุทีนี้พูดถึงพระเจ้าพารณสีนะอี ก, อ, กอีกเมืองหนึ่งอยู่คนละแคว้นกันพระเจ้าพารณสีซึ่งจริงๆก็คือเพื่อนเก่าของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าพารณสีนั้นโดยปกติแล้วถ้าไม่มีเนื้อไม่เสวยพระกยาหารต้องทุกมื้อต้องมีเนื้อประกอบหมด คนทำอาหารเมื่อไม่ได้เนื้ออื่นก็ทําเนื้อมนุษย์ให้เสวยอล้มีอยู่บางวันเนี่ยไปหาซื้อเนื้อไม่ได้ก็ไปเอาเนื้อนักโทษนั่นแหละมาปรุงอาหารถวายพระองค์ก็ติดในรถรับสั่งให้ฆ่ามนุษย์แล้วก็เสวยเนื้อมนุษย์จึงมีพระนามว่าโปริสัตพวกชาวนครชาวนิคมชาวชนบทมีราชามาตเป็นหัวหน้าและกาลหัดถีเสนาบดีของพระองค์ก็พากันไปกราบทูลว่า ข้าแต่เทวะหากพระองค์ยังทรงต้องการราชสมบัติอยู่ขอได้ทรงเว้นจากการเสวยเนื้อมนุษย์เสียเถิดถ้ายังอยากเป็นพระราชาก็เลิกเสวยเนื้อมนุษย์พระองค์ก็ตรัสว่าแม้เราสละราชสมบัติก็จะไม่เว้นจากการจากการกินเนื้อมนุษย์ถือว่ามันอร่อยที่สุดในความรู้สึกของพญาโปฤษาน จึงถูกชนเหล่านั้นขับไล่ออกจากแวนแควนเสร็จแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าอยู่ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งในช่วงหลังมาท่านก็ไปเดินเหยียบตอไม้ก็เป็นแผลก็นอนรักษาแผลทีนี้ไอ้ช่วงที่นอนรักษาแผลที่เกิดจากตอไม้ตำเนี่ยก็เลยได้บว่บวงสวงอ้อนวอนเทวดาว่า ข้าพเจ้าจะเอาเลือดที่ลำคอของกษัตริย์1 0ึหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาทำพลีกรรมขอให้แต่แผลหายเป็นปกติเถอะถ้าแผลหายจะเอากษัตริย์เนี่ยเอาเลือดในลำคอเนี่ยมาล้างโคลไสเลยแหละทีนี้ก็นอนรักษาแผลเมื่อแผลหายเป็นปกติเพราะอดอาหารมาเจวันหมายถาว่าเนื่องจากพอลดอาหารลดอะไรลงไปนอนไม่ขยับนอนรักษาอยู่นั่นแหละ แผลก็หายทีนี้ไอ้แผลที่หายเนี่ยเพราะไม่ไม่สเสวยอะไรเลยเพราะไม่ทานอะไรเลยแล้วก็นอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเจวันแผลก็หายแต่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอนุภาพของเทวดานะว่าเรานี้ได้ความสวัสดีก็เพราะเทวดาก็เลยคิดว่าจะตอบแทนคุณของเทวดาคิดว่าเราจะนำพระราชามาเพื่อพลีกรรมของเทวดา นี่ก็เนื่องจากมิจฉาปณิธิตั้งจิตเอาไว้ผิดคิดว่าถ้าตัวเองรักษาโรคหายนะถ้าเทวดาช่วยให้รักษาโรคให้หายจะต้องฆ่าสัตว์หรือฆ่ากษัตริย์ทั้งร้อยหนึ่งหัวเมืองเนี่ยเพื่อจะมาทําพลีกรรมเนี่ยนะมิจฉาปณิธิตั้งจิตเอาไว้ผิดหลังจากนั้นก็ไปสมคบกับยักษ์ซึ่งเคยเป็นสหายกันในอดีตชาติแสดงว่าอดีตชาตินั้นก็เป็นยักษ์อยู่แล้ว ด้วยกำลังมนที่ยักษ์นั้นได้ให้เอาไว้จึงมีกำลังเรี่ยวแรงว่องไวยิ่งนักนาพระราชาหนะึ่งร้อไดนะ้มารวมกันไว้ภายในเจ็วันเท่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเราะว่าลักตัวเจ้าเมืองทุกเมืองไว้าหนึ่งร้อยเจ้าเมืองแขวนเอาไว้ที่ต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของตนเตรียมทำพลีกรรมลำดับนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณนะต้นไม้ต้นไทรนั้น ไม่ปราถนาพลีกรรมก็เลยคิดว่าเราจะหาอุบายห้ามพรยาโพธิศาสนั้นน่ะซึ่งมาในรูปของนักบวชก็เลยแสดงตนเนี่ยนะโดยรูปของนักบวชให้พยาโพริสาสเห็นพยาโพริสาสพอเห็นก็ติดตามเดินตามเทวดานั้นสิ้นหนทางสามโยชนะเดินไปไกลมากแล้วก็แสดงรูปทิพย์ของตนให้ปรากฏแล้วก็กล่าวว่า ท่านเนี่ยพู้เท็จนะต่อว่าพระยาปริศาสตร์ว่าท่านเนี่ยพู้เทศท่านบ่นเอาไว้ว่าคือบ่นเอาไว้ว่าจะเอาพระราชาในทั่วชมพูทวีปมาทําพลีกรรมบัดนี้ท่านนําแต่พระราชากระจกกระจอกมาหากท่านไม่นําพระเจ้าสุดสมผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมาเราไม่ต้องการพลีกรรมของท่านเราสนใจเลือดในลําคอของพระเจ้าสุดสมเท่านั้นไอ้พระราชาองค์อื่นกระจอกหมดนั้นก็พระยาชากระจอกก่าจับ ม, มาไม่ยากแต่ว่าไม่เป็นที่สนใจของเรา พญาบริษัทก็ดีใจว่าเราได้เห็นเท ว, วดาของเราแล้วก็เลยกล่าวว่าข้าแต่เทพพระเจ้าอย่าวิตกไปเลยไม่ต้องลำบากใจหรอกข้าพระเจ้าจากนำพระเจ้าสุดโทมมาในวันนี้แหละก็เลยรีบไปยังสวนสัตว์ซึ่งมีเนื้อและเสือเหลืองเมื่อยังไม่มีการจัดอาราขาก็ยังลงไปในสะบกครณีก็ยืนเอาใบบัวนี่คลุมศีรษะนะก็รู้อยู่แล้วว่าพระราชาต้องเสด็จมาที่สระน้าตัวเองก็แอบไปซ่อนตัว รอก่อ น, น, นเมื่อพญาโพริสัต์ไปภายในพระราชุทยานนั่นแหลตอนใกล้รุ่งพวกราชบุรุษก็จัดอารักขาสิ้นสามโยต์โดยรอบพระโพธิสัตว์นั้นก็เสด็จประทับบนคอคชาสารที่ตกแต่งแล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนาศีเหล่าแต่เช้าตรูในกาลนั้นนันทพรามนันทพรามมาจากเมืองตักกศิลา ได้ถือเอาสตารหะคาถาสี่บทเดินทางไปประมาณร้อยยี่สโยศไปจนถึงพระนคร น, นั้นไปก็ไปเห็นพระราชาออกทางประตูด้านที่ตะวันบ้าออกก็ยกมือขึ้นทูลว่าขอพระมหาราชจงทรงพระเจริญ น, น, นะการว่าถวายพระพรว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญมาพระราชานั้นพอได้ยินเสียงสรรเสริญเนี่ยนะอวยชัยให้พรขอให้ทรงพระเจริญ ก็พระราชาก็สายช้างเข้าไปหาพราหมณ์นั้นประชาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมาจากที่ไหนท่านพราหมณ์ท่านปรารถนาอะไรอะนะท่านเนี่ยควรเราเนี่ยควรจะให้อะไรแก่ท่านพราหมณ์นั้นพอได้ยินคําว่าพระองค์ผู้อ่ะนะข่าพระองค์นี้ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ปลื้มใจในการฟังข่าพระองค์อะนะจึงได้ทูลว่า ข้าพระองค์นั้นรับเอาสตาระหะคาถาสี่บทมาเพื่อแสดงถวายแด่พระองค์เป็นคาถาที่เรียกว่าคาถาแต่ละคาถาควรแก่ร้อยสตาระหะก็คือแต่ละคาถาเนี่ยทุกสองบรรทัดเนี่ยราคาร้อยหนึ่งเหือนกันท้นสี่บรรทัดก็ควรแก่400ร้อเนี่ยจะเอาคาถาเนี่ยแต่ละคาถาควรแก่ร้อยเนี่ยมาถวายแด่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ดีพระทัยว่า เราไปอุทยานอาบน้ำแล้วก็จะกลับมาฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วจะกลับมาฟังเอาละกันท่านอย่าเบื่อเลยแล้วก็รับสั่งว่าพวกท่านจงไปจัดที่อยู่ในเรือนหลังโน้นและอาหารเครื่องนุ่งห่มให้แก่พรามแล้วก็เสด็จไปพระราชอุทยานจัดอารักขาอย่างใหญ่โตพระองค์ก็ทรงเปลืองอาภรอันโอลานทรงแต่งพระมัสสุทรงฟอกพระวรกาย ทรงสงสนานนสะโบกกรณีแล้วก็เสด็จขึ้นทรงประทับยืนนุ่งผ้าสาดกชุ่มด้วยนะ้ําลําดับนั้นพวกเครื่องต้นพวกเครื่องต้นก็คือพวกแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยนะก็นําของหอมดอกไม้และเครื่องประดับเข้าไปถวายแด่พระราชาพระยาปุริศาสตรที่แอบซ่อนอยู่ใต้ใบบัวนะก็คิดว่า ในเวลาแต่งพระองค์พระราชาก็จะหนักเกินไปเนี่ยถ้าเอาพวกเพชรนินจินดาเป็นต้นมาประดับพ่อ ร, รากายพระราชาหนักเกินไปเนี่ยแบกเนี่ยเป็นภาระเอาเถอะเราจะจับพระราชาตอนที่ยังเบาก็เลยแผดเสียงแก่งพระขันประกาศชื่อว่าเราชื่อว่าโปริศาสแล้วก็โผล่จากน้ําชื่อดังมากเลยเนะชื่อดังเพราะว่าจับกษัตริย์ไปแล้วร้0ยเอ่อหนึ่งรหัวเมืองเนี่ย พันพอได้ยินคําว่าปริศาทเท่านั้นแหละควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงของพญาปริศาทก็ตกัดช้างยืนอยู่อะไรวันนั่งอยู่บนช้างยังตกช้างเลยว่างันตกใจมากกเสียงนี้หนักกว่าเสียงผ้าผ่ายหมู่ทหารที่ยืนอยู่ในที่ไกลกว่า น, นี้ไปจากนั้นหทหารได้ยินเนี่ยเพ่นหมดอยู่ที่ใกล้ก็ทิ้งอาวุธนอนหมอหอบลงเลยพญาโปริศาทก็อุ้มพระราชาประทับนั่งที่คอกระโดดข้ามกําแพงสูงสิปดศอกไปต่อหน้า อันนี้ด้วยอนุภาพมนที่ได้เรียนมาจากยักษ์น่ยนะเกลี่ยบกระพองช้างตกมันที่แล่นไปข้างหน้าให้ล้มลงดุดล้มเยอะดุดยอดเขาล้มหมายก็ว่าช้างเนี่ยได้ยินเสียงพญาโพลีศาสตช้างเนี่ยนี้ไปเนี่ยนะไอเจ้านี่วิ่งเร็วกว่าช้างไปเหยียบช้างสะล้มเลยนะวิ่งไปอีกก็ไปเหยียบมา้าแก้วล้มไปอีกเนะีเร็ววิ่งเร็ววิ่งกว่ามา้าไปเหยียบม้าสะล้มเลยแล้วก็เหยียบงอนรถให้ล้มลงดุดหมุนดุดลูกข่าง ดุดขยี้ใบต้นไทรสีเขียวไปสิ้นหนทางสามยอดด้วยความเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นก็ไม่เห็นใครติดตามมาเราวิ่งด้วยความรวดเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ยนะกิโลเมตรเนี่ยแป๊บเดียวพอผ่านไป48กิโลเมตรไม่มีใครตามมาแนะ่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเดินไปหยดน้ำบนพระเกศของพระเจ้าสุทโสมก็หล่นลงบนตนสาคัญว่าหยาดน้าตาก็กล่าวว่านี่อะไรกัน แม้สุตโสมยังทรงกันแสงเศร้าโศกถึงความตายหรือนะไม่น่าเชื่อเลยนะพระาชาระดับนี้ยังร้องให้กลัวตายอย่างนั้นนะปกติเขาก็เพื่อนเก่ากันนั่นแหละนะแม้เรื่องแค่นี้นะทำเป็นกลัวตายอย่างนั้นน้ำตาหยดแม่เลยพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเราไม่ได้เศร้าโศกถึงความตายดอกเราร้องให้ที่ไหนการแต่ธรรมดาการถือความศัตว์ เพราะการพัดเพี้ยนเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติของบัณฑิตทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมีปกติไม่กล่าวคำพัดเพี้ยนบัณฑิตทั้งหลายเขาดำรงอยู่ในความสัตว์เราเศร้าโศกถึงว่านั่นแหละที่เรายังไม่สามารถรักษาความสัตว์ได้นั่นแหละเราจึงเศร้าโศกที่เราจะเสียใจก็เสียใจว่าเรายัง เ, เราไม่สามารถรักษาคำสัตว์ได้เพราะเราได้ทอาอคันตุ ก, กะวัดแก่พรามผู้สตารหะคาถา ขคาถาสี่บทเนี่ยนะหรือสี่บาทที่พระทศพลพระนามว่ัคษาปะแสดงเอาไว้คือเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่พราหมณ์เนี่ยเขาเรียนมาพราหมณ์เขาเรียนมาเนี่ยคาถาแต่และคาถาเนี่ยมีราคาร้อยหนึ่งเรานี่ได้พัดเพี้ยนว่าเราจะไปอาบน้ำแล้วจะกลับมาฟังนะเราขอร้องหน่อยนะท่านรอจนกว่าเราจะมาแล้วเราไปพระราชอุทยาน และท่านไม่ให้ฟังคาถาเหล่านั้นะ่ะเราเนี่ยถูกท่านจับมาก็หมายความว่าจริงๆอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะกลับไปฟังคาถาแต่ละเออแต่ละแต่ละคาถานั้นราคาร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถูกจับมาซะก่อนจะเสียใจกับเรื่องนี้เท่านั้นแหละเสียใจที่ไม่สา ม, มารถรักษาคําสัตว์ไว้ได้ว่าเรานี้ได้รับปากเอาไว้แล้วแต่ไม่สา ม, มารถจะทำได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราถูกพยาปริษต์จับไปได้ระลึกถึงคำผัดเพี้ยนที่พูดเอาไว้กับพราหมณ์พยาปริษฐ์นั้นเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์1 0ึเอาไว้แล้วทํากษัตริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลำบากนำเราไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมนะนี่คว่าจะให้มันครบ101หนึ่งพอดีจะได้เอาเลือดในลำคอคอว่าบนบานสารกล่าวต้นใส บทว่าเอเตสังปมิลาเป ต, ตวาความว่าพญาโปริศาทนั้นจับกษัตริย์ทั้งหนึ่งหนึ่งเหล่านั้นเอาพระบาทขึ้นเอาพระเศียนลงประหารพระเศียรด้วยส้นเท้าแปลว่าเตะยังกะเตะตะกร้องั้นน่ะนะเอาเชือกร้อยที่ฝ่ามือแล้วก็มุนไปได้รับความลำบากให้สูบซีดเนี่ย น, นะก็คนถูกถูกเอามัดเอาหัวห้อยลงเนี่ยนะมันจะขนาดไหนเนาะก็เดือดร้อนโดยประการทั้งปวงด้วยการแขวนไว้ที่ต้นไม้ แล้วก็ด้วยการตัดอาหารทุกชนิดพระราชาทั้งร้อยพระองค์ไม่มีอาหารเลยไม่ได้กินอาหารมาแล้วหลวายวนันนั้นก็ถูกแขว น, น, น, นเอาขาขึ้นข้างบนหัวห้อยลงข้างล่างพญาปริสัตนั้นพอนำพระโพธิสัตว์ไปอย่างนั้นก็ถามว่าท่านกลัวความตายหรือพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเราไม่กลัวตายแต่เราเศร้าโศกถึงว่าเราได้พัดเพี้ยนกับพรามนั้นเอาไว้แต่ยังไม่ได้ปลดเรื่องคาพัดเพี้ยนเลยนะก็คือ เรีว่าให้รอหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปล่อยเราเราฟังธรรมนั้นแล้วเราจะไปบูชาสการะสัมมาณะแก่พราหมณ์พอเราบูชาเสร็จแล้วจะ ก, กลับมาอีกพญาโพริสัตก็กล่าวว่าเราไม่เชื่อว่าเราปล่อยท่านไปแล้วท่านจะมาสูงเงื้อมือเราอีกพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าดูก่อนสหายโพริสัตท่านกับเราเป็นสหายศึกษาในสำนักอาจารย์เดียวกันท่านไม่เชื่อหรือว่า เราไม่พูดปลดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต น, นะก็เคยเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือว่าเรานี่เป็นคนที่ดํารงคําสัตว์คําจรงิงพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้รักเราจะรักษาคําสัตว์เราไม่สนใจโรกชีวิตเหมือนกันดังที่พระองค์ตรัสว่าเรารูปคลำดาบและหอกโดยเพียงคําพูดนี้ของเราโดยแท้ดูก่อนสหายเราขอสาบานกับท่านว่า เมื่อเราพ้นจากท่านหมดนี้แล้วรักษาความสัตย์นะไปกลับไปรักษาความสัตย์แล้วเราจะกลับมาอีกพญาโพริศาสตร์ก็คิดว่าสุดโมนี่กล่าวว่าเราขอสาบานไอการขอสาบานเนี่ยปกติกษัตริย์ไม่ควรทำเนี่ยนะเพราะทั้งคู่ก็เป็นกษัตริย์นั้นกษัตริย์นี่ไม่ควรไม่ควราสาบานแม้สุดโตษไปแล้วไม่กลับนะแต่พญาโพริศาสรก็บอกเลยว่า ถึงท่านไปไม่กลับท่านก็ไม่พ้นมือเราไปได้ก็เลยปล่อยไปอ้าปล่อยไปก่อนกอะไรก็กแล้วกันความว่าความพัดเพี้ยนใดอันท่านผู้ตั้งอยู่ในความเป็นอิสระในแคว้นตนได้ทําไว้กับพราหมณ์ดูก่อนพรามท่านปฏิบัติความพัดเพี้ยนนั้นแล้วเป็นผู้รักษาความศักดิ์จงกลับมาอีกนะถึงจะเป็นโจรอย่างนั้นก็ยังสนใจคําศัพท์อยู่เหมือนกันนะบอกเออไปเถอะเนี่ยนะท่านใดปฏิ ญ, ญาณเอาไว้แล้ว ก็ไปรักษาคำสัตย์คำจริงนะแล้วก็กลับมาอีกจริงๆแล้วพวกโจรทั้งหลายเนี่ยนะนักฆ่าทั้งหลายถึงจะฆ่าจะเงียมเกรียมขนาดไหนก็จ้างเถอะก็ยังสนใจคำสัตย์คำจริงอยู่พระโพธิสัตว์นั้นปกติก็มีกําลังดุดช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงเสด็จถึงพระนคร น, นั้นเร็วพลันดุดพระจันทร์พ้นจากปากลาหูฉะนั้นแม้เสนาของพระองค์ก็คิดว่าพระเจ้าสุตโสมเป็นบัณฑิตก็คงฝึกพยาโปริศาแล้วก็รีบกลับมาดุดช้างตกมัน จึงพักอยู่นอกพระนครเพราะเกรงคระหาว่าให้พระราชาแก่พระยาปุริสัทแล้วก็กลับมาคือพวกอมาตย์เนี่ยนะเขาก็คิดอยู่ว่ายังไงยังไงเสียพระยาปริสัทก็ต้องปล่อยพระเจ้าสุตโสมแน่เพราะพระองค์นี้เป็นบัณฑิตเดี๋ยวก็สั่งสอนโอวาทแนะนําพระยาปุริสัตก็ใจออกเดี๋ยวก็ปล่อยกลับมาก็รอก่อนไม่กล้าเข้าเมืองถ้าเข้าเมืองเดี๋ยวก็าว่าอเอาพระราชาไปทิ้งเสร็จแล้วก็พากันเข้าเมืองเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าตัวเองเป็นพวกกบฏ ก็เลยกลัวเนี่ยนะกลัวคำคอรหาโดยประการต่างๆก็เลยเอรอรอดูก่อนพอเห็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาแต่ไกลก่อนเลิกขึ้นตอนรับถวายบังคมกระทำปฏิสันฐานว่าข้าแต่มหาราชพญาโพริสัตทํทำพระองค์ให้ลำบากบ้างหรือเนาะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่ากรรมที่แม้พระมารดาบิดาของเราทำได้ยากพระพญาโพริสัตก็ได้ทำแล้ว ไม่น่าเชื่อนะขนาดพ่อแม่เราก็ยังทํายากนะผู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือแล้วขอร้องยังกลับมาได้เนี่ยพญาปุริศัสตร์นี่ก็แน่จริงๆเหมือนกันนะกล้าปล่อยกลับมาแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยปกติเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมให้ลูกไปแบบเนี้ยนะเหมือนกับว่าปล่อยลักษณะเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมบอกไม่ยอมแต่พญาปุริศาสตร์เนี่ยทาได้ทําได้ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราซะอีกเหมือนกันพระจันทร์ว่องไวถึงตาา น, นั้นยังเชื่อเราแล้วก็ปล่อยเรา จึงตกแต่งพระราชาให้ประดับบนคอคชรสารแวดล้อมเสร็จแล้วก็เข้าพระนครชาวพระนครทั้งหมดเห็นพระโพธิสัตว์แล้วต่างก็พากันยินดีฝ่ายพระโพธิสัตว์เพราะพระองค์นิสนพระไทยในธรรมคือปกติแล้วเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นอยู่ในธรรมจึงไม่เข้าเฝ้าพระมารดาพระบิดาเสด็จเข้าไปยังพระตำหนักตรัสเรียกหาพราหมณพระองค์ก็ทรงกระทำสักการะสัมมาณะใหญ่โตแก่พราหมณ์นั้น เรียกหาพรามมาแล้วก็บูชาสการะเตรียมสิ่งที่เทิดทูนที่พอจะบูชาแก่พราหมณเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้หนักในธรรมพระองค์เองก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ต่ำแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะฟังสตารหัคาถ า, าที่ท่านนํามาเพื่อเราพราหมณ์ในเวลาที่เอพราหมณ์ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ขอร้องก็เลยเอาน้ําหอมเนี่ยพอกมือ แล้วก็นําคำพีที่ตัวเองพอใจออกจากถุงแสดงว่าจดข้อเขียนมาใส่กระเป๋ามานะถุงดึงข้อเขียนออกมาจับด้วยมือทั้งสองก็ทูุนว่าข้าแต่มหาราชขอได้โปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าเมื่อจะอ่านคำพีก็ได้อ่านกล่าวคาถาทั้งหลายซึ่งคาถานี้ถือว่าเป็นคาถาที่สาคัญมากบัณฑิตทั้งหลายช่วยปกปักรักษามานานถึงศาสนา จ, จะสิ้นแล้ว คาถาสี่บาทเหล่านี้ก็ยังสำคัญเนี่ยนะเขาก็มีการรักษาเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดมากเลยนะก็เป็นคาถาที่ที่เขามาอ่านปั๊บเห็นด้วยเลยชอบมากนะเห็นชัดเจนเลยว่าข้าแต่พระเจ้าสุตโสมเนี่ยนะอันนี้เป็นคำร้องเรียกก่อนแล้วก็กล่าวพุทธพจน์ว่าการสมาคมกับสัตว์บุรุษแม้คราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นเนี่ยย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้ การระคบกับบัณฑิตเนี่ยแม้แต่คบกันแป๊บเดียวคราวเดียวเนี่ยนะผลของการคบคราวเดียวนั่นแหละช่วยให้ชีวิตเนี่ยพ้นจากความทุกข์เลยเราก็มาคิดดูนะถ้าใครที่อ่านประวัติของพระเทระพระเทรีทั้งหลายเนยเห็นชัดเลยว่าอดีต ท, ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเข้าไปคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระท่านคบไม่นานเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ตั้งความปรารถนาได้บรรลุเป็น ได้บรรลุเป็นพผ้ารหันกันเกือบหมดเลยนะเพราะผลของการครบสัตบุรุษหมันการครบสัตบุรุษคบพระรัตนตรายการรู้จักพระรัตนตรายเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพบการเห็นรักษาผู้นั้นไม่ให้ไปอบายทุกติวินิบาตนรกขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาผู้นั้นให้เกิดการตรัสรู้ธรรมหมัม้นการครบกับสัตบุรุษแม้แต่คราวเดียวเนี่ยนะก็รักษาผู้นั้น ส่วนการสมาคมมากกับอาศัตรูหลุษรักษาไม่ได้รักษาอะไรได้บ้างคบศาสตร์บุรุษเนี่ยนะรักษาความเป็นมนุษย์อย่างรักษาไม่ได้เพราะอาศาตัตรุษชวนไปไหนก็ชวนทําชั่วก็พาไปสู่อาบายทุคติวินิบาตานรกเนี่ยนะรักษาอะไรไม่ได้เลยนอกจากสูญเสียทรัพย์สูญเสียคุณธรรมสูญเสียข้อปฏิบัติสูญเสียศีลสมาธิปัญญาสูญเสียมงคลทั้งหลายทั้งปวงเลยก็เพราะการคบกับ อ า, าัตรูรดมันอาศาัตรูรษเนี่ยนะถึงจะคบนานปี10ปีร้อปีพันปีก็ไม่มีประโยชน์การสมาคมกับสัตว์บุรุษเท่านั้นสําเร็จประโยชน์เนี่ยนะการสมาคมกับสัตว์บรุษเนี่ยสามารถรักษาเอาไว้ได้รักษาให้สําเร็จประโยชน์ไม่ควรทําความคุ้นเคยกับอาศาัตบุรุษอันนี้ชี้ชัดเป็นคําสั่งเลยว่าไม่ควรทําความคุ้นเคยกับอาศาัตบุรุษ อาศับบุรุษก็คือคนที่ชักชวนพาทมความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะนะรู้สัตยธรรมของสัตบุรุษประเสริฐไม่ลามกเลยที่สำคัญก็บอกว่าถ้ารู้สัตธรรมสัตธรรมอันต่างโดยปริยัตปฏิบัติปฏิเวชหรือต่างโดยโพธิปักฉิยธรรมหรืออริยสัจธรรมนะถ้าหากว่ารู้อริยสัจธรรมเหล่านี้แล้ว ก็ไม่บาปเลยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าการครบสัตว์บรุษเท่านั้นเนี่ยนะสามารถทําให้รู้สัจธรรมอ่ารู้สัจจธรรมหรือรู้พระสัจธรรมคืออ่าโพธิปัจจัยธรรมเป็นต้นเพราะการครบกับสัตว์บรุษนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มีความลามกเลยไม่เหมือนการครบหาสมาคมกับอสัตบุรุษไม่สามารถยังประโยชน์ใดๆให้สําเร็จเลยราชรวิจิตงดงามยังค่ําคร่าได้ นะราชรถเนี่ยนะถ้าไปที่ใกล้ๆสนามหลวงก็ได้นะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยจะเห็นราชรถเก่าค่ําคร่าเนี่ยแล้วไม่ก็ที่เราเห็นป่าชารถทั้งหลายเนี่ยนะก็เห็นว่าเออราชรถรถงดงามวิจิตรลวดลายขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นก็ยังค่ําคร่าได้แม้ร่างกายก็เข้าถึงความคร่าคร่าเนี่ยนะอีก20ปีมาดูใหม่กันเถอะที่นั่งอยู่เนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็ค่ําคร่ากันหมดแล้วเนี่ย แต่ธรรมของสัตว์บุรุษไม่ถึงความคร่ำคร่าพระนิพพานนั้นไม่คร่ำคร่าไปด้วยอุปาทถีติพังคะไม่คร่ำคร่าไปด้วยชาติชาราและมรณะโพธิปัจจยธรรมก็เป็นธรรมที่ไม่คร่ำคร่าเพราะเป็นธรรมที่ให้บรรลุพระนิพพานสัตว์บุรุษแลย่อมประกาศด้วยสัตว์บุรุษคนดีเท่านั้นแหละที่จะชื่นชมคนดีคนดีนั่นแหละจึงจะบอกให้รู้จักคนดี ข่าแต่พระราชาฟ้ากับดินห่างไกลกันนะฟ้ากับดินนี่ห่างห่างอ่ะ น, นะฝั่งโน้นของมหาสมุทรเขาก็ว่าไกลกันแต่ว่าธรรมของศักดิ์บุรุษและอศักบุรุษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าไกลกว่านั้นเห็นไหมอาุศลกรรมบทกับกุศลกรรมบทนี่ห่างกันมากการฆ่ากับเว้นจากการฆ่าก็ห่างกันการลักทรัพย์กับเว้นจากการลักทรัพย์ก็ห่างกันมิจฉาทิฐิ กับสัมมาทิฏฐิก็ห่างกันมิชามะกับสัมมามะก็ห่างกันเพราะฉะนั้นทำอาศปปุริสธรรมทำของอาศปบุรุษก็คือความไม่มีศรัทธาความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะห่างจากคุณธรรมทั้งหลายอาคุศสลกรรมบดก็ห่างจากกุศสลกรรมบดบาปอาคุโสลธรรมทั้งหลายก็ห่างจากกุโสลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะกับอะธรรมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยหมายถึงมัคคสัจจะอะธรรมก็คือสมุทัยสัจจะ ท่านบอกว่ามันห่างกันเหลือเกินห่างกว่าฟ้ากับตินห่างกว่าสมุดฝั่งนี้กับสมุดฝั่งโน้นพระโพธิสัตว์นี้พอทรงสดับดังนั้นแล้วก็มีพระไทยยินดีว่าการมาของเรานี่มีผล น, นั้นเนื้อโอ้ดีใจเหลือเกินเนี่ยนะหม้ยัึงตายฟรีแน่อดฟังแหมประเสริฐเหลือเกินขนาดนี้ถ้าถือว่าสมัยที่ไม่ใช่พุทธการไม่ใช่สมัยที่มีพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การได้ยินคำพูดสี่บทเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วชีวิตของอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านสแสวงหาปัญญาเหมือนกับภิกษุทเที่ยวบินทบัตแสวงหาอาหารฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในปัญญาฝักใฝ่ในเหตุแห่งการเจริญกุศลธรรมมันพอได้ยินคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะท่านดีใจเลยว่าโอ้ดีใจจริงๆที่ได้กลับมานนะก็เลยคิดต่อไปว่าคาถาเหล่านี้ ไม่ใช่สาวกกล่าวไว้แน่ไม่ใช่ฤาษีกล่าวไม่ใช่นักกวีนักประพันธ์ทั้งหลายกล่าวไม่ใช่เทวดากล่าวแต่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นแลกล่าวเอาไว้เป็นพระพุทธพจน์แน่นอนเป็นคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้แน่นอนเนี่ยนะคาถาเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเป็นธรรมะที่เป็นเป็นหลักธรรมที่เอาไว้ใช้ดําเนินชีวิตได้เลยเนี่ยนะไม่ได้ล้าสมัยเลย ไม่ไม่ล้าสมัยเนี่ยนะบอกว่าการคบกับสัตว์บูรุษกับคบกับอสัตบุรุษเนี่ยเพราะว่าสัต์บุรุษทั้งหลายก็คือป่าประมิตรสัตว์บุรุษทั้งหลายก็คือกาลยานมิตรเนี่ยนะผลสัตว์บุรุษทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นกาลยานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์เป็นเหตุให้ได้ประพฤติอยู่ในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าคบอสัตว์บุรุษก็เป็นเหตุให้ทํา ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจและก็ไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบัตินรกบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมแห่งธรรมและอธรรมถ้าครบคนชั่วก็เชื่อมไปหาอธรรมถ้าครบบัณฑิตทั้งหลายก็เชื่อมไปหากุศลธรรมเพราะฉะนั้นการการครบอสัตบุรุษคบปานใดคบแค่ไหนอย่างไรก็นําไปสู่ความเสียหายเลวร้ายเพราะ พ, พ่อปูนไปด้วยบาปประธรรม ส่วนคบสัตว์บรุษทั้งหลายก็จะประสบแต่คุณธรรมนนะประสบแต่สัตยธรรมทั้งหลายพูดถึงเปรียบเทียบว่าสิ่งอื่นในโลกก็ยังเป็นสิ่งที่เก่าและข่า่าคร่าอย่างราชรถหรือร่างกายแต่ธรรมะของสัตว์บรุษทั้งหลายธรรมะของสัตว์บรุษทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่รู้จักเก่าและครั่คร่าบัณฑิตคือพระพุทธเจ้ากับ คนพาลทั้งหลายที่เรียกว่าพวกอาศัตบุรุษทั้งหลายห่างไกลยิ่งกว่าฟ้ากับดินห่างไกลยิ่งกว่าฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของทะเลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษเป็นเหตุให้เพิ่มพูนกุศลธรรมเนี่ยนะเพิ่มพูนโพธิปัจจะธรรมเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมแทงตลอดพระนิพพานการคบสัตบรษนั้นสามารถรักษาบุคคลนั้นให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกรักษาบุคคลนั้นให้พ้นจาก นะวัตตะสงสารโดยเฉพาะสามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมพรันพุทธพจน์ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าแน่นอนจะมีค่าเท่าไหร่หนอราคาเท่าไหรหนอะพุทธพจน์อันนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าชี้ทางแห่งการตรัสรู้ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์ว่าคิดว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่เพราะชี้ชัดว่าทางแห่งวัตตะกับทางแห่งวิวัตตะเป็นอย่างไร เห็นเลยว่าทางแห่งความเลวร้ายในวัฏฏะเป็นอย่างไรเห็นทางที่ทําให้ประสบการตรัสรู้ดับวัฏฏะนั้นเป็นอย่างไรควรจะมีราคาเท่าไหร่หนอคําสอนอันนี้ <t ell> ก็เลยคิดต่อไปว่าแม้เราจะทําจักรวานนี้ทั้งสิน้นจนถึงพรหมโลกให้เต็มด้วยรัตนะแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นแล้วย่งแล้วให้ยังเป็นการทําไม่สมควรไหมครัว่าถึงเราจะสามารถเอาจักรวานทั้งสิน้นประมวลให้เป็นรัตนะทั้งหมด แล้วบูชาพระธรรม ท, ที่ที่พราหม์เอามากล่าวสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ยังไม่สมควรแก่คาถาเหล่านี้เลยแต่แต่เราก็พอที่จะให้ราชสมบัติในแคว้นกุรุประมาณสามรอยยอดในอินทปตานครประมาณเจ็ดยอดแก่พราหม์นั้นได้ที่จริงเราสละราชสมบัติทั้งหมดเนี่ยบูชาพระธรรมเหล่านี้ได้แต่แต่แต่พราหมณ์คนนี้ไม่มีส่วนที่จะครองราชสมบัติได้เพราะเป็นความจริง พรามนั้นเป็นผู้มีอนุภาพน้อยอ น, นะพระโพธิสัตว์นี่มองดูลักษณะของพรามแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ปกครองราชสมบัติไม่ได้พอปกครองราชสมบัติไม่ได้ก็ก เ, เพราะฉะนั้นแม่ราชสมบัติถึงให้พรามคนนี้ไปพรามคนนี้ก็ไม่สามารถจะปกปัก ร, รักษาราชสมบัติได้ดีไม่ดีก็จะก่อรัฐประหารถูกฆ่าซะเร็วด้วยซ้าไปก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ ท่านแสดงคาถาเหล่านี้แกกษัตริย์ทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยท่านได้อะไรจากการไปพูดพุทธพจน์เหล่านี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยได้ได้ได้รางวัลมาเท่าไหร่ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่พราหมณ์ก็ทูลว่าค่าแต่มมหาราชได้คาถาละร้อยได้คาถาละร้อยเพราะว่าคาถาที่กล่าวไปสี่คาถาเนี่ยได้คาถาละร้อยก็เลยเรียกว่าสตารหะคาถาเนี่ยนะเข้าใจ่าคาถาละร้อยคาถาละร้อยมาเวลาไปที่ไหนก็เลยบอกว่าที่จะกล่าวนี่ราคาร้อยหนึ่งนะ แต่ละคาถาราคาร้อยหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านรับเพราะตนเนี่ยไม่รู้ค่าของสินค้าที่เที่ยวไปเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะภาษาธรรมะเขากกเรียกว่าเอาถาดทองคําไปเที่ยวแลกเปรียงเน่าของกวงกันเอาถาดทองคําที่มีราคาเป็นแสนไปแลกเปรียงเน่าพระองค์ก็ตรัสแล้วในสุ ป, ปินณชาดกเนี่ยนะมาสุ ป, ปินณชาดกว่าอนาคตต่อไปพระพิสุทธ์ทั้งหลายจะแสดงธรรมที่ควรแก่โลกุตระเพื่อแลกกับหาปณะ ฟั น, นะนก็แสดงว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกสลฝันว่ า, านะว่าเราว่าเอาถาดทองคำเนี่ยมาแลกกับเปรียงเน่าเนี่ย น, นะมาแลกกับสิ่งที่ไม่ควรค่าเลยเนี่ยนะเอาถาดทองคำไปเร่ขายราคาบาทสองบาทเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าคนที่เร่ขายไม่รู้จักสินค้าของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าคาถาเหล่านี้คู่ควรกับความพ้นทุกถามว่าอะไรในโลกนี้มันช่วยให้เราพ้นทุกได้จริงๆบ้างเอาลอง ลองสแสวงหาดูเถอะสิ่งในโลกนี้ที่เป็นมหาพูตรูปนีในทุกทวารที่เรารับรู้เนี่ยตาหูจมูกเล้นกายมันก็คือมหาพูตรูปมีมหาพูตรูปอันใดช่วยให้เราพ้นทุก์ได้บ้างไม่มีหรอกในราคาทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ามีราคาเนี่ยก็คือดินน้ําลมไฟเอาดินน้ําลมไฟมามาชี้อ่ามาเปรียบกับทางแห่งความดับทุกได้ไหมมันเปรียบกันไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยว่างั้น เพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านไม่รู้แร้วว่าสินค้าของท่านมันราคาเท่าไหร่จริงๆอ่ะค่าควรแก่พระนิพพานเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าอย่างในโลกเนี่ยนะถามว่าแผ่นดินกับชีวิตของเราเนี่ยอันไหนมันยิ่งใหญ่กว่ากันทรัพย์ของเราทั้งหมดกับชีวิตของเราเนี่ยอะไรมันยิ่งใหญ่กว่ากันชีวิตถามว่าถ้าเรารักษาชีวิตของเราแล้วล่วงอะธรรมเนี่ยนะเอะคาคหมายาว่าล่วงธรรมะประพฤติอะธรรมเพื่อรักษาชีวิตเนี่ย รักษาชีวิตได้จริงๆหรือบอกรักษาไม่ได้ในที่สุดก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตินรกแต่ธรรมทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ตรัสเอาไว้ธรรมะเหล่านั้นนํามาซึ่งความพ้นทุกข์นํามาซึ่งความดับทุกข์เพรา ะ, ะ, ะสินค้าคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคู่ควรแก่อมะตะที่ท่านบอกว่าอัปปาโนธรรมโมเนี่ยนะพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ แต่เนื่องจากว่ารู้เรียกว่าจ่ายตามคุณสมบัติของผู้กล่าวไม่ใช่กล่าวจ่ายตามพุทธพจน์ ท, ที่แสดงเนี่ยนะก็เลยบอกว่าท่านพราหมณ์คาถาเหล่านี้มีราคาพันไม่ใช่ร้อยเพราะฉะนั้นท่านจงรับเอาสี่พันไปเถิดเนี่ยนะจริงๆก็บอกว่าคือคนเนี้ยสามารถดูแลปกครองทรัพย์ได้เท่านี้เรียกว่าให้ตามความสามารถในการดูแลทรัพย์เนี่ยนะเรียกว่าให้ให้เรียกว่าบูชาผู้ที่กล่าวไป แต่ว่าพระธรรมเหล่านั้นไม่ใช่มาเป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์พอให้ทรัพย์สี่พันแล้วก็ให้รถไปอีกคันหนึ่งอะไรก็ยานน้อยเป็นสุก็คือให้รถไปอีกคันหนึ่งนะส่งพราหมณ์นั้นไปด้วยสักการะและสัมมาณะอันยิ่งถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทูลว่าหม่อมชั้นได้ให้ปฏิญญาไว้แก่บริสัทว์ว่าเราบูชาพระศัพธรรมรัตนะ แก้วคือพระสัทธรรมเนีย่ยนะคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ที่พราหมณ์นํามาแล้วทําสักการะสั ม, มาณะแก่พราหมณ์นั้นแล้วจะกลับมาจึงได้กลับมาสิ่งที่ควรปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติในพราหมณ์ข้อนั้นบัดนี้ได้ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจับไปหาปริศาทตร์พระมารดาพระบิดาก็ขอร้องว่าพ่อสุตโสมลูกพูดอะไรอย่างนั้นเราจะจับโจรด้วยทหารสีเหล่าอย่าไปหาโจรเลยลูก หญิงฟ้อนทั้งหมื่นพันบริวารชนที่เหลือก็อพากันร้องให้ว่าข้าแต่เทวะพระองค์เนี่ยทำให้พวกหม่อมชันไร้ที่พึ่งแล้วพระองค์จะเสด็จไปไหนก็ได้เกิดโกลาหนขึ้นอีกครั้งว่าได้ยินว่าพระราชาจะเสด็จไปหาโจรอีกจะกลับไปหาโจรเหมือนกันเลนะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าธรรมดาการตามรักษาคําสัตว์เป็นปฏิญญาเป็นหลักปฏิบัติของสาธุสัตบุรุษสัตบุรุษคนดีทั้งหลายเขาทํากันอย่างนี้แหละ เ น, นะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ที่ตรัสรู้พระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ในคําสัตว์ทั้งหมดนั่นแหลแม้โปริสานั้นก็ยังเชื่อเราแล้วปล่อยเราออกมาก็เพราะว่าเรามีคําสัตว์นี่แหละโปริสาทจึงปล่อยเรามาเพราะฉะนั้นเราจะไปละถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทรงสั่งสอนชนที่เหลือพวกนางสนมกำนันเป็นต้นมีน้ําตานองหน้าร้องให้มีประการต่างๆแต่ก็ต้องตามไปส่งะนะนีออกนอกพระนคร พระองค์ก็เอาไม้เนี่ยขีดขวางทางบอกชนเราอื่นไม่ต้องไปกลับเถอะเนี่ยนะขีดบอกว่าแผ่ถามว่าแผ่นดินนี้ทั้งหมดของใครของพระองค์บอกว่าก็เลยขีดเส้นถ้าหากว่าเป็นของเราใครก้าล่วงคนนั้นชื่อว่าไม่เคารพเราก็เลยมีใครกล้าก้าล่วงกลับกันหมดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าล่วงเลยเส้นขีดของเรานี้แล้วก็เสด็จไปมหาชนไม่อาจจะละเมิดพระดํารัสของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเดชได้ก็เลยพากันคร่ําครวญร้องให้ด้วยเสียงดังก็พากันกลับ นะก็บทว่ารัชชัิยาทยิงตถาความว่าในกาลนั้นเราประสงค์จะไปหาปริศาทจึงมอบราชสมบัติประมาณ300โยชน์แก่พระมารดาพระบิดาว่าขอพระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติของพระองค์เถิดเพราะเหตุไรเราจึงมอบราชสมบัติทําไมตั้งคําถามว่าทำไมจึงคืนราชสมบัติถวายแก่พ่อแม่คืน ก็เพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษเพราะธรรมดาว่าการทําตามคําสัตปฏิญญาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์บุรุษคือเป็นคนดีพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่แสวงหาการตรัสรู้เป็นท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ในคําสัตสัจจันนั้นแหละเป็นสัจจบารมีเป็นคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงธรรมะคือสัจจะบารมีซึ่งเป็นของเก่ามีมาก่อนอันพระชินเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงเสพทรงปฏิบัติแล้วเมื่อจะรักษาควา ม, วามสั์จึงให้ทรัพย์แก่พรามนั้นเราสละชีวิตของตนเข้าไปหาพยาปริสักกลับไปอีกกลับไปให้เขาค่าเพราะว่าได้ยืนยันไว้แล้วว่าขอกลับไปทาบุญก่อนเมื่อกลับไปทาบุญเสร็จแล้วก็จะจะกลับมาหาคืน บทว่านัติเมสังส ย, งสงสยตความว่าในกาลาไปหาพระยาโปริสัทนั้นเราไม่มีความสงสัยว่าพระยาโปริสัทจะฆ่าเราหรือไม่ฆ่าเนาะเรายูรู้อยู่ว่าโปริสัทนั้นดุร้ายป่าเถื่อนเตรียมฆ่ากษัตริย์หนึ่งพร้อมกับเราทำพลีกรรมแกเทวดาจะฆ่าท่าเดียวแต่เราก็รักษาคำสัตย์อย่างเดียวสละชีวิตของตนเข้าไปหาปริสัทนั้น เพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีถึงเป็นสัจจะที่เป็นปรัมัทธ์บารมีตามรักษาคำสัตว์เนี่ยนะตามรักษาคำสัตว์ไม่ได้ตามรักษาชีวิตอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านตามรักษาศีลเนคขมปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอ่าเมตตาและอุเบกขาท่านตามรักษาบารมีอุปบารมีปรัมมัทธ์บารมีทั้งหมด ไม่ได้ตามรักษาชีวิตไม่ได้ตามรักษาสิ่งอื่นแต่ตามรักษาคุณงามความดีตามรักษาคุณธรรมตามรักษาข้อปฏิบัติที่จะทาให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปหาพญาโปริษาทแล้วก็เห็นพระพักของพระโพธิสัตว์นักปริษาทต์เนี่ยเห็นพระพักมีสง่าดุดกลีบบัวแย้มก็เลยคิดว่าพระเจ้าสุตโสมนี้ไม่กลัวตายจึงมา ปกติเนี่ยคนจะมาตายเป็นยังไงหน้านี่ง้อยเลยเนยละเกิว่าพอแค่ไรกอะไรนะสมัยใหม่พอตรวจเจอว่ามีโรคร้ายอยู่ในตัวแค่นั้นแหละตายเร็วขึ้นเลยเกิดว่าไม่มีใครมาฆ่าอะไรนะเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเกือบจะตายแล้วก็ตายเร็วขึ้นแต่นี่ไม่นะวิ่งไปหาขมหอกขม่ข ม, ขมดาบก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอก พ, พระเจ้าพระเจ้าโบริษาทก็เลยคิดว่านี่มันอะไรกัน ทำไมนะคนจะตายแล้วทำไมยังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอยู่ได้มันเพราะอะไรนี่มันอนุภาพของอะไรก็สันนิฐานตกลงใจว่าพระเจ้าสุดสมเป็นผู้มีเดชไม่กลัวตายอย่างนี้เห็นจะเพราะการฟังธรรมกระมังจึงก็ท่านนี้ก็มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีใครชั่วแบบชั่วถาวรชั่วนิรันดร อ, อะไรหรอกมันก็มีส่วนดีอยู่ในใจบ้างนั่นแหละเอกร ว, ว่าธรรมะนี่มันคงดีมากเลยนะ ทำให้คนจะตายยังยิ้มอยู่ได้นี่แสดงว่าพิเศษแม้เราฟังธรรมนั้นแล้วก็จะเป็นผู้มีเดชและไม่กลัวตายเหมือนกันปกติเราฆ่าคนอื่นเยอะเนี่ยก็เรากลัวตายเนี่ยนะที่ฆ่าคนอื่นเที่ยวฆ่าคนอื่นก็เพราะเรากลัวตายนี่เขาจะมาตายเนี่ยเขายังไม่กลัวตายเลยแสดงว่าจะต้องมีอะไรพิเศษที่ทําให้ไม่กลัวตายปุริสัยก็เลยกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าพเจ้าขอฟังสตารหะคาถาที่ท่านไปพระนครของตนเพื่อจะฟังขอฟังบ้างสิเนี่ย พระโพธิสัตว์ฟังเลยก็เลยคิดว่าโพธิสัตว์นี้เป็นคนบาปนี่ทำลามกก็คือคนบาปเราจะคมให้ละอายเสียนหน่อยนึงก็เลยกล่าวถักขางซะหน่อยเนี่ยนะว่าสัจจะย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีธรรมโอ้ยท่านมาฟังทำไมท่านผู้ไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลกรร ม, มบทผู้เป็นคนหยาบคายผู้มีฝ่ามือเต็มไปด้วยเลือดเป็นนิดธรรมะจะมีมาแต่ไหนท่านจะฟังไปทำไม ท่านฟังเอาอะไรเลวขนาดท่านเนี่ยนะเลวสมบูรณ์แบบขนาดนี้ไม่รู้จะฟังไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับท่านหรอกว่างนันบริษัทก็เลยเกิดความอยากจะฟังยิ่งกว่าเดิมอีก น, น ะ, ะแสดงว่าต้องดีจริงๆแหละนะก็เลยตรัสว่าชนทั้งหลายฟังทำแล้วย่อมรู้ดีรู้ชั่วท่านก็รู้เหมือนกันนะ อ, อธรรมะเนี่ยเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้ดีรู้ชั่วใจของเรายินดีในธรรมก็เพราะฟังคาถาทั้งหลาย เดี๋ยวต่อไปนะถ้าท่านพูดเราอาจจะยินดีในธรรมก็ได้พูดเธออะไร น, นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าโพธิสัตว์นี้เกิดความสนใจใครจะฟังอย่างเดียวเอาเธอเราจะกล่าวคาถาแก่เขาก็เลยกล่าวว่าสหายถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังให้ดีจงใส่ไว้ในใจแล้วก็สดุดีคาถาทั้งหลายทำนองเดียวกับที่นันทพรามกล่าวโดยเคารพเกิดกุณฑนะกอนที่จะกล่าวเนี่ยนะ เกิดโกลาหนเป็นอันเดียวกันในสวรรค์ชั้นกามาวจรหชั้นเมื่อทวยเทพสองสาธุการพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมแก่โพริสัตนั้นว่ามหาราชการสมาคมกับศัตว์บุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้ก็คิดดูนะว่าโพริสัตค น, นี้เนี่ยสมาคมกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละรักษาท่านเอาไว้ได้ในที่สุดท่านก็ได้แต่สรูมมรรคผลนิพพานเพราะการคบหาสมาคมกับศัตว์บุรุษ ส่วนการสมาคมกับอาศัตบุรุษถึงจะคบมากเกี่ยวข้องมากอยู่ร่วมกันนานก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้รักษาอะไรเลยตรงกันข้ามอาศาัตบุรุษทั้งหลายชวนแต่ทําลายชวนแต่ปทุศร้ายชวนแต่เบียดเบียนเนี่ยนะการสมาคมกับอาศาัตรุษรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นควรสมาคมกับศัตบุรุษเท่านั้นไม่ควรทําความคุ้นเคยกับอาศัตบุรษอาศาัตรูเนี่ยไม่ต้องรู้จักไม่จําเป็นต้องรู้จัก ห่างได้เท่าไรา ย, ยิ่งดีเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ธรรมของสัตว์บุรุษผู้ประเสริฐกว่าไม่ลามกเลยไม่บาปเลยสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ราชรถวิจิตงดงามยังคร่ำคร่าได้รถก็ยังเก่าเป็นแม่ร่างกายก็ถึงก็เข้าถึงความคร่ำคร่าแต่ธรรมะของสัตว์บุรุษไม่ถึงความค่ำค่าสัตว์บุรุษแลย่อมประกาศด้วยสัตว์บุรุษฆ่าแต่ฟราชาฟ้าและดิน นั่นแล้วว่าไกลกันฝั่งทะเลฝั่งโน้นฝั่งนี้ของมหาสมุทรเขาก็ว่าไกลกันธรรมะของสั์บุรุษและธรรมะของอสัพบุรุษบัณฑิตทั้งหลายกล่ า, กลาวกันว่าไกล ย, ยิ่งกว่านั้นปริสัทเมื่อได้ฟังคาถาเนี่ยนะกระว่ามือเพชฌฆาตนักฆ่าผู้เหี้ยมโหมดเนี่ยได้ฟังเป็นยังไงบ้างนนะฟังแล้วก็บอกว่าพระโพธิสัตว์นิตร ด, ดีแล้ว ว, ว่าเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงดีแล้วก็เพราะบุญญาทิพย์ภาบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์ร่างกายทั้งหมดของปญาโปริสัตก็เต็มไปด้วยปีติโอ้ดีใจมากเลยนะของเราทั้งหลายฟังแล้วก็ดูท่าก็เฉยๆเหมือนกันนะสู้โพธิสัตไม่ได้นะเนี่ยโพธิสัตรบรรลุไปแล้วของเรายังอยู่กันเลยเนี่ยนะโพธิสัตคือพระ อ, องคุริมาตัสรู้ไปเรียบร้อยแล้วเหี่ยมขนาดนั้นยังบรรลุเลยของเราที่ว่าดีๆก็ยังอยู่กันน่าดูเลยนะ ดีดีแต่ว่าทำไมอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยนะเออคยเราว่าเราว่ามันดีบ้างไนงะโอยเราดีหมดอ่ะขอให้เป็นเราเถอะดีหมดอ่ะแต่ว่าเฝ้าวัตตะอยู่ตั้งนานปริศาทในความรู้สึกของเราเร็วเร็วก็ บ, บรรลุไปเรียบร้อยแล้วเ อ, อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร ก, ก็ต่างกันเนี่ยสังเกตจากตรงนี้แล้วปริศาทฟรังแล้วปีติทั้งหคุตกาปีติอุเพงคาปีติปรณ n าปีติ เป็นต้นเนี่ยปีติทั้งห้าท่านเกิดอ่ะของเราฟังแล้วก็อุเบกขาเข้ามาอ่านแล้วก็เห็นแต่พูดพูดนี่ก็อุเบกขาบ้างเหมือนกันนะปีติหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสมควรแลละ่ะวัดกันดูแล้วว่าคุณภาพก็สมควรแล้วที่อยู่ได้ทนขนาดนี้ปริศษนี่พอฟังแล้วก็มีใจอ่อนโยนต่อพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าสุตสมผู้สหายเนี่ยนะ เรานี้ไม่เห็นเงินเป็นต้นที่เป็นของควรให้เลยบอกแม่คาถ า, า, าเนี่ยสตารหะเนี่ยแต่ละคาถาราคาร้อยหนึ่งแต่เราไม่มีเงินจะให้เลยอ่ะแต่เราจะให้พรกันลกันคาถานหนึ่งคาถาให้พรหนึ่งเนะเพราะฉะนั้นเราจะให้พรสี่ข้อเพราะคาถาสี่คาถาพระโพธิสัตว์นี่ก็ุกรานโพธิสัตว์ว่าท่านไม่รู้ประโยชน์แม้ของตนท่านจะให้พรกับคนอื่นได้อย่างไร ขนาดประโยชน์โลกนี้ตัวก็ยังไม่รู้ประโยชน์โลกหน้าตัวก็ยังไม่รู้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ตัวก็ยังไม่รู้ทําเป็นมาให้พรคนอื่นอีกขอร้องเธอเพื่อนบางค น, นเอาไว้เธอรับพรเธอแน่ะนะแ น, ะ น, ะนะ่พระโพธิสัตว์ก็เลยรับพรข้อแรกขอให้เราเพิ่งเห็นโพธิสัตว์ไม่มีโรคตลอดกาลนานโพธิสัตว์ก็ดีใจว่าพระเจ้าสุดโทมเนี่ยนะเมื่อเราประสงค์จะฆ่ากินเนื้อในบัดนี้ก็ยังปรารถนาชีวิตของเราผู้ทําความพินาศให้อีก อยดีเหลือเกินพระโพธิสัตว์ทําไมเป็นคนดีขนาดนี้ดูสิขนาดเราจะฆ่าอยู่แล้วนะยังให้พรให้เรามีอายุยืนนานไม่มีโรคสุขภาพดีขอให้เห็นเราเนี่ยที่จริงไม่รู้ร้องว่าลวงเรียบร้อยแล้วครับว่าจริงๆอิงนะแต่ขอให้พระยขอให้เราเนี่ยเห็นโพธิสัตว์ไม่มีโรคตลอดกาลนานปราถนัแปลว่าให้เราอคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ เพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในอุบายก็ได้ว่าขอชีวิตของพระองค์โดยความใคร่ขอให้ปริศาท์มีชีวิตอยู่ตลอดกาลนานดังนั้นถ้าหากว่าเราจะขอชีวิตใครนะ อ, อะไรนะถ้าเราจ ะ, ะสานวนว่าถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ยืนนานนะถ้าใครให้พรก็ขอร้องวนะ่าขอให้มีบุญได้เห็นท่านมีความสุขอยู่ยืนตลอดไปเนี่ยนะคนฟังอะไรปลื้มอะที่ไหนได้ที่ไหนได้อะ น, นะ จริงอ่ะเขาขอพอรขอชีวิตตัวเองแล้วกันนะพรข้อที่สองพระโพธิสัตว์ก็ขอว่าขอให้ท่านเนี่ยนะจงให้ชีวิตแก่กษัตริย์ตั้งมากกว่าร้อยให้ชีวิตแก่กษัตริย์ทั้งหมดเถอะสขอให้ท่านปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นกลับเว่นแคว้นของตนอันนี้เป็นข้อที่สาสี่ขอให้พระโพริสัทเนี่ยเว้นจากการกินเนื้อมนุษย์อันนี้เป็นข้อที่4ี่โพธิสัทบอกพรสมข้อให้ได้ ให้เอาไปเลยสามข้อแต่ก็ไม่ต้องการให้ข้อที่สี่ว่าว่าขอเข้า อ, อื่นเถอะพระโพธิสัตว์บอกไหนไหนว่าจะให้หล่ะนะก็เลยถูกแค่นใครบ่อยๆเข้าอ้าให้ก็ให้ก็เลยรับเอาพรสี่อีกข้อที่สี่ก็เลยว่าขอไม่กินเนื้อมนุษย์พระโพธิสัตว์นั้นทําให้โพธิสัตหมดพยศให้โพธิสัตปล่อยพระราชา <c oughs> เสร็จแล้วก็ค่อยๆให้กษัตริย์นั้นอะ่ะก็ไปปล่อยกษัตริย์ใช่ไหมให้ ปล่อยกษัตริย์ให้กษัตริย์นั้นพ้นดึงได้ออกเหมือนอะไรนะดูดดึงได้ออกจากหูของพวกเด็กๆแล้วก็ให้โบริษัทเน้นนำแผ่นหนังแผ่นหนึ่งที่ถูกับหินนะเสร็จแล้วก็ให้ทําสัตว์จากกิริยาทาที่ฝ่าพระหัตถ์ของกษัตริย์เหล่านั้นความผาสุขก็ได้มีในขณะนั้นเองนะฮะใช้สัตว์จากกิริยาก็ทําให้สุขภาพของกษัตริย์ที่ถูกแขวนเหล่านั้นเนี่ยนะก็ดีขึ้น สุขภาพดีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ณนะที่นั้นสองสาวันให้เยียวย า, าให้โพธิสัตนี้เยียวยารักษากษัตริย์เหล่านั้นให้หายโรคแล้วก็ทําให้ความสนิทสนมทฉันมิตรไม่ทําลายกันและกันกันกบกษัตริย์เหล่านั้นเรียกว่าอะไรนะสมาทานเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีปรารถนาดีต่อกันเสร็จแล้วก็นำพระนำโพธิสัตนั้นไปกรุงพาราณสีพร้อมด้วยกษัตริย์เหล่านั้นกลับไปให้ดํารงอยู่ในราชสมบัติตามเดิมาตั้งอต่ น, นี้ไปพระองค์ก็ไม่ต้องกินเนื้อมนุษย์แล้ว ก็กลับไปครองราช ส, สมบัติเสร็จแล้วก็ให้โอวาทว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเสร็จแล้วก็ส่งพระราชาเหล่านั้นไปยังนครของตนของตนเสร็จแล้วก็แวดล้อมด้วยหมู่จัตุรงคเสนาของพระองค์ซึ่งมาจากอินทปัตถานครเสด็จกลับพระนครของพระองค์อินทปัตทานนครเนี่ยนะก็น่าจะแคว้นกุรุะนะแถ ว, แถวกุรุรัตนนะแถวเดลีน่ะนแหะ ก็ให้พระยาโปริษัต์เนี่ยปกครองอยู่พราราณสีพระองค์ก็ไปทางเด ล, ลีทางโน้นทางนั้นเสร็จกลับพระนครของพระองค์ชนชาวพระนครก็ต่างยินดีเบิกบานห้อมล้อมเสด็จเข้าไปภายในพระนครถวายบังคมพระมารดาพระบิดาเสด็จขึ้นสู่พื้นใหญ่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ให้สร้างศาลาโรงทานหแห่งบริจาคมหาทานทุกวันบำเพญ็ญศีลรักษาอุโบสถเพิ่มภูมบารมีทั้งหลาย แม้พระราชาเหล่านั้นก็ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงมีบุญอันทำรรนะก็พากันทาบุญให้อ่านะทบุญมีการให้ทานรักษาศรรีลเป็นต้นก็สวรรคร์กก็ไปสู่สวรรค์โปริสัต์จอมโจรผู้เหี้ยมโหดอ่นะพระราชาผู้ฆ่าคนในครั้งนั้นก็คือพระองค์คุลิมานเทระในครั้งนี้นะอุปนิสัยสังสมในการฆ่ามานาน แต่ก็อย่างว่าไม่มีใครเลวสมบูรณ์แบบก็ไม่มีใครดีถาวรเพชคาตผู้โหดเหี้ยมก็มีมีใจปรารถนาพราะมรรคผลนิพพานเหมือนกันก็ทำบุญให้ทานแต่ก็ณีผลของการครบใครครบกับสัตว์บุรุษคบของอดีตชาติก็คบพระโพธิสัตว์ชาติปัจจุบันก็คบกับพระพุทธเจ้าองคุลิมารก็เลยตรัสรู้อริยสัจบรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้า การหัรถิอมาตอมาตของพระของพระราชาสุตโสมก็คือพภาษาริบุตรเทระนันทพรามผู้ทรงจําพุทธพจน์เนี่ยนะเที่ยวแสดงก็คือพระอนนท์นั่นเองนะแสดงว่าอัธยาศัยในการทรงจําพุทธพจน์นี้มีมาหลายชาติแล้วลุกคเทวด า, าก็คือพระมหากระสปะเทระพระราชาทั้งหลายก็คือพุทธบริษัทพระราชบิดาพระราชมารดาก็คือตระกูลมหาราชพระเจ้าสุตโสมมหาราชก็คือพระโลกกนาตของเรา นี่ก็เป็นสุดสมมัจริยาที่สิบสองน่นะ